ช่วงนี้เป็นช่วงทอดกระถินคือการถวายผ้าให้แก่ผ้าภิกษุที่อยู่จำบัรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนการถวายผ้ากะถินนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ถวายกับพระ ในระยะเวลาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันออกพรรษามาจนถึงวันลอยกระทงคือวันเพ่นเดือนสิอถึงวันเผ่นเดือน12วันแรมหนึ่งข้างเดือน11ถึงวันเพ่นเดือน12ระยะเวลาหนึ่งเดือน ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ญาติโยมที่ต้องการถวายผ้าจีวรให้กับพระภิกษุที่ได้อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนเพื่อจะได้เปลี่ยนผ้าเก่าที่ชำรุดลือขาดจะได้มีผ้าใหม่ไว้ใช้ส่ง อนุญาตให้ถวายได้เพียงเดือนเดียวเพราะมีความจำเป็นเท่านั้นไม่ต้องการให้เสียเวลากับการถวายผ้ารับผ้าป่ารับผ้ากถินต้องการให้เอาเวลาส่วนใหญ่ไปกับการปฏิบัติธรรมแต่การ มีหาผ้าหรือมีผ้าไว้สวมใส่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นผ้ากรถินนี้เป็นผ้าที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือในยุคที่ได้ทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆยุคนั้นผ้าที่ผ้า ใช้นี้จะเรียกว่าผ้าป่าคือผ้าที่ไปเก็บมาจากป่าช้าเรียกว่าผ้าบางสกุลคือผ้าที่หอ่อศพสมัยพุทธกาลเวลาคนตายเขาจะเอาผ้ามัดห่อศพไว้แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าปล่อยให้มัน เ, เสื่อมสลายไป เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริงเอ่วทไซคลให้ดินกับเคือนสู่ดินน้ำกับเคือนสู่น้ำเอทิ้งศพไว้ไม่นานศพก็เน่าเปื่อยแห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไปไม่ต้องเสียเวลากับการมาขุดมาฝังไม่ต้องเสียฟืนเสียอะไรมาเผา ทำลายสิ่งแวดลอ้อมตัดต้นไม้มาเผาศพมาทําให้เกิดควันพิษขึ้นมาในอากาศคนสมัยโบราณนี่ฉลาดนะไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมคนตายก็เอาผ้าไปอ่อคนตายก็เอาผ้ามัดหอ่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา แล้วพอศบเน่าเปาื่อยผุพังไปเหลือแต่ผ้าก็เป็นผ้าให้นักบวชได้เอาไปใช้ต่อนักบวชสมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ขอผ้าจากศรัทธาญาติโยมญาติโยมไม่ได้ถวายผ้าสิ่งที่นักบวชขอจากศรัทธาญาติโยมก็คืออาหารบิณฑบาตหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่นักบวชจะต้องขอจากศรัท ธ, ธาญาติโยมคืออาหารบิณฑบาตส่วนที่อยู่อาศัยนักบวชเขาจะหาที่อยู่ในป่ากันเองทำเพิงทำอะไรหลบแดดหลบฝนหรือไม่เช่นนั้นก็อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ในถ้ำหรือถ้ามีเรือนร้างก็ไปอยู่ตามเรือนร้าง นั่นคือที่อยู่อาศัยของนักบวชยุค ข, ของพระพุทธเจ้ายารักษาโรคก็ใช้ยาดองน้ำปัสสาวะส่วนอาหารนี่ต้องเป็นทบาลผ้าก็เก็บจากป่าชา้าเป็นผ้าป่าผ้าบางสกุลที่เรายัง ทำประเพณีนิรอนุรักไว้เป็ น, เ ป, นเป็นการนำลึกถึงผ้าบางสกุลในอดีตผ้าบางสกุลในอดีตนี่เป็นบางสกุลจริงๆคือเป็นผ้าหอ่อศพนะแต่ผ้าบางสกุลปัจจุบันนี้เป็นผ้าที่เราตั้งอยู่หน้าลงศพเวลาที่จะเผาศพนี่ อย่างนิมนต์ผ้าขึ้นไปชักผ้าชักผ้าบังสุกุลนี่เแล้วผ้าก็ไม่ใช่เป็นผ้าห่อศพนะเป็นผ้าสำเร็จรูปตัดเย็บอย่างดีมาจากร้านผ้าเป็นผ้าไหมเอี่ยมแต่นี่เป็นเพียงการเราลึกถึงผ้าในสมัยอดีตที่พระภิกษุใช้กันจริงๆ เป็นผ้าหอ่อศพตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆ ห, หลังจากที่ได้ทรงสแสดงธรรมผู้ฟังธรรมก็ บ, บรดุธรรมกันขึ้นมาเป็นพระอริยสงสาวกกันก็มีสมีศรัทธาที่อยากจะบวชอยู่กับพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา ก็เลยไปหาผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้ามาตัดเย็บเป็นจีวรมาเป็นผ้าห่มผ้านุ่งของสงศ์สมัยเริ่มแรกนี้พระสงฆ์จะมีผ้าอยู่สองผืนเท่านั้นยังไม่ครบสามที่เรียกว่าผ้าไตามีเพียงผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งผือนอก็พอเพียงต่อ การใช้ในการปกปิดร่างกายรักษาร่างกายจากอากาศหนาวเย็นพาสมัยเลอกแรกนี้เป็นพาที่มีพลังจิตคือได้ฝึกสมาธิกันเวลาที่เกิดอาการหนาวมากๆเขาทนได้เขาใช้สมาธินี้เวลาเข้าไปในสมาธิ จิตจะไม่รับรู้เรื่องความเย็ยนหนาวของร่างกายจิตจะสงบจิตจะรู้สึกอบอุ่นไม่ได้รู้สึกหนาวเย็ยนไปกับร่างกายจึงใช้ผ้าผืนเดียวก็พอในช่วงฤ ด, ดูหนาวผ้าหม่มผืนเดียวผ้านุ่งหนึ่งผืนต่อมามีผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใส ในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอยากจะบวชตามเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกที่ไม่เคยบวชกันยังไม่มีพลังจิตไม่ได้ฝึกสมาธิพอมาบวชแล้วนุ่งมีผ้าห่มเพียงผืนเดียวในฤ ด, ดูหนาวนี่ก็ทนกับความหนาวไม่ไหว ก็เลยไปขออนุญาตพระจากพระพุทธเจ้าขอหาขอหาภาพมาเพิ่มเพราะทนกับอากาศหนาวไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็เลยทรงพิจารณาด้วยการนั่งสมาธิตอนหัวค่ำหกโมงถึงสี่ทุ่มก็มห่มผ้าผืนหนึ่งพอสี่ทุ่มถึงตีสอง อากาศเริ่มรู้สึกเย็นมากขึ้นก็เลยเพิ่ ม, มห่มผ้าอีกผืนหนึ่งพอพอตีสองถึงหกโมงเช้านี่อากาศเย็นมากขึ้นผ้าสองผืนที่ห่มไม่พอกันหนาวเลยเอาผ้าผืนที่สามมาห่มก็เลยทรงอนุญาตให้ผ้ามีผ้าเพิ่มอีกสองผืน แต่ให้เย็บเป็นผืนเดียวเป็นผ้าสองชั้นเรียกว่าผ้าสังคติเนี่ยผ้าสังคตินี้คือผ้าที่ญาติโยมเห็นพระเวลาท่านาทำกิจกรรมท่านจะพาดอยู่บนบาส น, นั้นคือผ้าห่มกันหนาวไม่ได้ใช้ก็แต่ให้เอาติดตัวไปด้วยเพราะสมัยก่อนพระอยู่ในป่า ไม่มีที่เก็บเ้าเก็บของไปไหนก็ต้องขนไปให้หมดเนี่ยไปบินทบาทก็เอาบาทไปด้วยเอาผ้าสามผืนไปด้วยผ้าที่ผ้าด่าสมัยก่อนถ้าไปบินทบาทเขาซ้อนกันเอาผ้าสามผืนซ้อนแล้วก็หม่มทีเดียวสามผืนเลยแต่สมัยนี้มันอากาศร้อนประเทศไทย ถ้าห่มผ้าทีเดียวสามผืนนี่มันเหงื่อแตกพักไปบินธาบา น, นี่ห่มผ้าสามผืผนไม่ไหวเวลาไปทำก <c oughs> ิจกรรมของสงฆ์ห่มต้งสามผืนไม่ไหวก็เลยเอาห่มผืผนเดียวแล้วเอกเอาอีกสองผืนที่เอามาพับแล้วก็พาดไว้บนบ น, บนบนบนบ่าบนไหล น, น, น, นั่นคือผ้าผืนที่สาม ที่ทำเป็นสองชั้นด้วยกันเป็นผ้าห่มกันหนาวเรียกว่าผ้าสังคติอันนี้ปกติถ้าไม่หน้าหนาวก็ไม่ต้องใช้กันผ้าไม่ได้มีผ้าหม่มเหมือนญาติโยมนะพระท่านใช้ผ้าสังคตินี้เป็นผ้าห่มกันหนาวอันนี้คือที่มาของผ้าของพระภิกษุ ซึ่งในยุคแรกๆก็ใช้ผ้าบังสุกุลกันไปเก็บผ้าหอ่อศพทีนี้มีผู้มาบวชมากขึ้นมากขึ้นผ้าในป่าช้าก็เลยหมดไม่พอใช้กันผ้าภิกษุบางทีไม่มีผ้าเปลี่ยนไม่มีผ้าสำรองเช่นเวลาฝนตกไป เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าระหว่างทางเจอฝนหลบไม่มีที่หลบก็เลยเปียกปอนพอถึงสำนักของพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าเฝ้าด้วยการห่มผ้าที่เปียกปอนนั้นเข้าไปเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นสภาพของผ้าว่ายากลำบากกับเรื่องผ้าห่มผ้านุ่งห่ม และทรงทราบว่าผ้าในป่าช้าไม่พอใช้ก็เลยบอกญาติโยมว่าต่อไปนี้ต้องเดือดต้องขอร้องให้ญาติโยมได้ช่วยอุปถาคพระให้ถวายผ้าให้ท่านมีไว้พอเพียงต่อการสวมใส่น่าอาจจะต้องมีสำรองไว้สำหรับเผื่อเวลาที่เจออากาศเจอฝนเจออะไร ผ้าเปียกจะได้ไม่ต้องนุ่งห่มแต่ผ้าเปียกก็เลยสรงอนุญาตหรือสรงบอกให้ญาติโยมให้ถวายผ้าให้กับพระภิกษุแต่ให้ถวายเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนก็พอเพราะไม่จำเป็นจะต้องถวายทั้งปีเพราะว่าผ้าผืนหนึ่งนี่ก็ใายได้ทั้งปีแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีกิจกรรมยืดเยือ้เอเดี๋ยวจะกลายเป็นการรับผ้าถวายผ้าไปทั้งปีก็จะเสียเวลาไปต้องการให้เอาเวลาไปศึกษาธรรมไปปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายของการบวช การบวชนี้บวชเพื่อศึกษาคำสั่งคำสอนเพื่อที่จะได้เอาไปปฏิบัติเอาไปใช้กาจัดกิเลสตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจึงไม่ต้องการให้เสียเวลากับการมารับผ้าจากญาติโยมตลอดทั้งปีเพราะญาติโยม ก็อยากทำบุญก็อยากจะถวายผ้าถวายสังฆทานถวายข้าวของปัจจัยสี่ให้กับพระถ้ามาคอยรับของถวายต่างๆก็จะไม่มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามไม่ให้ถวายผ้าแบบยืดเยื้อถวายได้เพียง หนึ่งเดือนช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันออกพรรษาคือวันลาบหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองที่สบายนี้เราเป็นวันลอยกระทงกันวันลอยกระทงเป็นวันสิ้นเขตของการถวายผ้ากรถินถ้าหลังจากนั้นเราไม่มีการรับการถวายผ้ากรถิน แต่สมัยนีย้ญาติโยมก็เปลี่ยนเป็นผ้ากถิ่นเป็นผ้าป่าแทนไม่ถวายผ้ากถินก็เปลี่ยนชื่อเป็นผ้าป่าแต่มันก็เป็นการถวายผ้าเหมือนกันหรือจะถวายเป็นสังฆทานก็ได้หรือถวายเป็นผ้าบางสกุลในช่วงมีงานศพก็ได้ก็เลยมียังมีรำเนียมถวายผ้ากันอยู่ทั้งปี พระก็เลยมายุ่งกับกิจกรรมเหล่านี้กันอแต่สําหรับพระที่มุ่งต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ท่านจ ะ, จะไม่ค่อยมายุ่งกับกิจกรรมเหล่านี้เท่าไหร่กิจกรรมที่เราเรียกว่าบุญบังสังส่วนบุญก็คืองานบุญต่างๆญาติโยมมีวันเกิดวันแต่งงาน วันอะไรสําคัญของญาติโยมก็นิมนต์พระไปสวดที่บ้านไปทําบุญเออพระก็เก่งใจญาติโยมก็ต้องรับกิจนิมนต์ไปแทนที่จะไปภาวนาปีกวิเวกก็ต้องมาคอยรับกิจนิมนต์ของญาติโยมในวันบุญต่างๆบุญบางบังก็บังสกุลนี่เองอญาติโยมก็มีพี่น้องที่ตาย ก็นิมนต์พระไปบังสกุลไปชักผ้าที่หน้าศพพระก็เลยไปทํากิจกรรมของตนไม่ได้เมื่อแต่มาคอยทํากิจกรรมของญาติโยมงานบุญแล้วก็ยังมีงานบังสกุลบังสกุลแล้วก็ยังมีสังฆทานอีกบางทีไม่ได้นิมนต์พระไปบ้านก็มาถวายสังฆทานที่วัดะ วันนี้วันเกิดวันนี้วันแต่งงานขอถวายสังฆทานพระก็ต้องออกมารับอีกสังแล้วก็มีงานสวดอีกสวดข้ามปีเดี๋ยวปีใหม่ก็มีการสวดข้ามปีหรือมีการสวดอะไรต่างๆเวลามีงานสำคัญๆก็ในมูลพระไปสวดกันพระก็เลย ปิดกับของงานบุญบางสังส่วนถ้าใครมาบวชแล้วคิดว่านี่คืองานของพระก็เป็นคนเข้าใจผิดหลงทางซึ่งพระที่ไม่ไม่ได้บวชพิที่ไม่ได้ศึกษาคําสั่งคําสอนไม่ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาจะหลงคิดว่านี่คืองานของพระกันมาบวชเพื่อมาทําหน้าที่ ในงานบุญบังสังสวนเนี่ยห็นพอมาบวชแล้วแทนที่จะมาศึกษาแทนที่จะปฏิบัติก็มาคอยอัดสวดมนกันสวดบทสวดมนที่จะใช้ในงานบุญบางสังสวนนี่ก็เลยกลายเป็นาศาสนาพิธีไปแทนที่จะเป็นาศาสนาศึกษ า, าศาสนาปฏิบัติ ก็เลยกลายเป็นศาสนาพิธีไปพระก็เป็นเพียงผู้มาประกอบพิธีให้กับญาติโยมแต่ตัวพระเองนี้ไม่ได้มากระทำหน้าที่ของตนหน้าที่ของตนก็คือศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเปรียบเทียบทางโลกก็เหมือนกับนักศึกษาในโรงเรียนหน้าที่ของนักศึกษานักเรียนคืออะไร คือเข้าห้องเรียนไปฟังครูสอนฟั <c oughs> งแล้วครูให้การบ้านไปทำก็ไปทำนะพอถึงเวลาสอบก็ต้องไปสอบนะแต่ถ้านักเรียนมาเรียนแล้วไม่เข้าห้องเรียนไปนั่งทำขนมขายอยู่หน้าห้องเรียนหรือไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนนักเรียนจะไปเรียนรู้ได้อะไร อาจจะหาเงินให้โรงเรียนมาขายของขายขนมมีไรายได้มีกำไรก็มอบให้โรงเรียนไปอันนี้ก็เหมือนกันสมัยนี้พาคก็เป็นเหมือนนักเรียนที่ไม่เข้าห้องเรียนกันไม่ไปศึกษาไม่ไปปฏิบัติไม่ทำการบ้านไม่ไปปฏิบัติทำข้อสอบกันมามา มาโรงเรียนแล้วก็มาขายของให้กับโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนจ้างให้มาขายของหาอะไรหาเงินหาไรายได้ให้กับโรงเรียนพะมาบวชแล้วก็มาทำพิธีบุญบังสังส่วน <c oughs> ให้กับวัดเพื่อที่จะได้เอารายได้เข้าวัดเรือเข้ากระเป๋าของตัวเองาศาสนาทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เลยกลายเป็นศาสนาพิธีไปถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องธรรมะจากาพระเหล่านี้จะจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะท่านไม่ได้เรียนกันท่านไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำการบ้านท่านไม่ได้ทำข้อสอบเพราะท่านหมัวแต่มาทำพิธีกรรมให้แกศรัทธาญาติโยมคือทำงานบุญบังสังสวร แทนที่จะทำงานศีลสมาธิปัญญากลับมาทำงานบุญบังสังสวดกันศาสนาเลยกลายเป็นศาสนาพิธีคนเข้าหาศาสนาไม่ได้เข้าหาหาเพื่อศึกษาหาความรู้ที่จะเอามาใช้ในการกาจัดความทุกข์ต่างๆกลับมาหาพิธีกรรมต่างๆ มาถึงก็อยากจะให้พระทำพิธีกรรมให้พิธีกรรมมันก็เลยขยายตัวนอกจากบุญบางสังสวแล้วทีนี้ก็อยากจะให้พระ อ, อาบน้ำให้อีกอาบน้ำมนให้อีกอยากจะให้เจิมหน้าเจิมหน้าผากเจิมหน้าตายจะได้มีมงคลขึ้นมาเจิมบ้านให้เจิมรถยนต์ให้เพื่อความปลอดภัยต่าง ผีจะได้ไม่เข้ามาขโมยจะได้ไม่เข้าบ้านไฟจะได้ไม่ไหม้บ้านน้าจะได้ไม่ท่วมบ้านเนี่ยนี่ก็เลยกลายเป็นาศาสนาแบบนี้ไปเป็นาศาสนาพิธีไปซึ่งการกระทำเหล่านี้มันไม่มีผลอะไรน้ำมันบ้านไหนมีมีอะไรเจอมมีพระอะไรมาเจมิมไฟมันจะไหม้มันก็ไม่ดูที่ ป้ายว่ามีใครมาเจมบ้านนี้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เวลาไฟมันจะไหม้มันก็ไหม้ทุกบ้านไม่ว่าจะมีเจมหรือไม่เจอนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการออกนอกลูก่นอกทางของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ได้ศึกษากันนั่นเองไม่ได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรกัน ก็เลยทําผิดทําผิดทําถูกผสมกันไปมีถูกบ้างก็คือสอนให้ทําทานแต่การสอนให้ทําทานนี้ไม่ได้สอนให้ทําทานเพื่อด้วยด้วยพิธีกรรมต่างๆการทําทานนี้ต้องการให้เสียสละแบ่งปันให้มีความเมตตาให้ใช้เงินไปในทางที่ไม่เกิดโทษเกิด อันตรายต่อจิตใจให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจการใช้เงินด้วยการทําบุญทำทานนี้เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่ถ้าเอาเงินไปใช้กับอบายามุกนี่เป็นอันตรายต่อจิตใจไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปทเที่ยวเตะการใช้เงินแบบนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจ รือการใช้เงินไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลลืนกายการใช้เงินแบบนี้เป็นอันตรายเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดใช้แล้วมันจะติดติดแล้วก็ต้องคอยหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆเพราะเวลาไม่ได้ใช้เงิน หาความสุขแบบนี้ก็จะมีความหงุดหงิดลำคาญใจมีความเหงามีความเศร้ามีความว้าเวนี่แหละคือโทษของการใช้เงินไปในทางที่ผิดเ้วจะทำให้อาจจะต้องไปทำบาปถ้าเงินทองไม่พอใช้หาเงินทองโดยวิธีสุดจริตไม่พอใช้เพราะเวลาใช้ไปกับ ของเหล่านี้มันจะลามปามมันจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะซื้อของมากขึ้นอยากจะใชไปเที่ยวมากขึ้นอยากจะซื้อของแพงขึ้นมันก็เลยทําให้เงินทองที่หามาได้โดยวิธีสดจริตนี้อาจจะไม่พอใช้ก็จะทําให้ไปหาโดยมิ วิธีไม่ชอบวิธีทุจริตเราจึงมีข่าวาวถึงคนชอบโกงกันอยู่เรื่อยๆก็พราะเขาต้องการเอาเงินไปใช้ตามความอยากของเขานั่นเองเพราะเขาติดเคยใช้อะไรเคยกินอะไรเคยเดื่มอะไรใช้แล้วมันติดต้องมีกินมีดืม่มถ้าดื่มสุราก็ต้องมีสุราให้ดื่มอยู่เรื่อยๆ สูบบุหรีก็ต้องมีบุหรีให้สูบอยู่เรื่อยๆ เ, เที่ยวก็ต้องมีเงินเที่ยวอยู่เรื่อยๆมันก็เลยต้องใช้เงินมากก็เลยทำให้ชีวิตนี้ติดพันอยู่กับการหาเงินกับการใช้เงินและเสียงต่อการหาเงินโดยวิธีไม่ชอบก็เลยทั้งชีวิตไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์ มีแต่มาส่งเสริมการกระทำที่เป็นโทษกับจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าเลยต้องบอกให้ตัดวงจรอนุบาตนี้อย่าใช้เงินแบบนี้ถ้าอยากจะมีความสุขเอาเงินไปทำบุญทำทานดีกว่าจะได้ความสุขที่ปลอดภัยไม่มีพิษไม่มีภัยต่อจิตใจเพราะการทำบุญนี้จะไม่ทำให้ติด เวลาไม่มีเงินทำจะไม่เดือดร้อนแล้วก็จะไม่รู้สึกขาดแคลนอะไรเพราะบุญที่ได้ทำเอาไว้นี้มันทำให้มีความอิ่มใจอยู่เรื่อยๆถึงแม้เคยทามาหลายเดือนหลายปีพอคิดถึงบุญที่เคยทำไว้ก็ยังเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอยู่ทุกครั้งเห็นโบสถ์ที่เราช่วยสร้างเห็นกุฏิที่เราช่วยสร้างพอคิดถึง บุญเหล่านี้มันก็ทำให้เรายังมีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาใจจะไม่หิวโหวยกับความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆที่เกิดจากการเอาเงินไปใช้สนับสนุนนี้มันจะหายไปแต่ถ้าเราเอาเงินสนับสนุนความอยากความอยากมันจะยิ่งมีกำลังมากขึ้นมันจะมาคอย ลบกวนจิตใจเราอยู่เรื่อยๆอยู่เฉยๆปั๊บเดี๋ยวมันก็อยากไปเที่ยวอยากจะไปชอปปิง้งอยากจะไปดูไปฟังไปกินไปเดิมอะไรต่างๆแต่ถ้าเราตัดวงจรอุบาท น, นี้ได้ด้วยการเลิกใช้เงินแบบนี้เอาเงินไปใช้กับการทำบุญทำทานแทนต่อไปเราอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมารบกวนใจเรา อยู่เฉยๆกับบ้านก็มีความสุขมีความสบายใจคิดถึงบุญที่เคยทำไว้ก็มีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมา <c oughs> นี่เป็นการตัดวงจรอุบาทธรให้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินแบบไม่รู้จักจบจักสิน้นหาเงินก็หาเท่าที่จำเป็นหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง คือหาปัจจัยสีมาให้กับร่างกายเขาพอแล้วถ้าหาเฉพาะปัจจัยสีก็ไม่ต้องหามากไม่ต้องเสียเวลามากก็จะมีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะได้ไปศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วก็ไปปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนได้นี่คือเป็นกุญแจดอกแรกสำหรับการเข้าสู่ ทำมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าต้องมีเวลาถ้าเรายังไม่มีเวลาเพราะเราติดพันกับการหาเงินการใช้เงินอยู่เราต้องพยายามตัดวงจรอุบาทณนี้ให้เราใช้เงินเฉพาะกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหามากสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้มันทุกครั้งอยากไปเที่ยว ถ้าอยากจะรู้ว่าจําเป็นไม่จําเป็นให้ถามตัวเองอย่างนี้ถ้าไม่ได้เที่ยวแล้วตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นถ้าไม่มีลมหายใจนี่ตายหรือเปล่ า, าตายยังต้องหายใจทำในสิ่งที่จําเป็นสิ่งไหนไม่จําเป็นอย่าไปทำมันถ้าไม่มีอาหารกินตายไหมอดตายไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดดื่ม ตายไหมตายไม่มีน้ำที่มีรสมีสีมีกลิ่นดื่มตายไหมไม่ตายไม่มีน้ำสุราดื่มตายไหมไม่ตายไม่มีน้ำแชมเปญดื่มตายไหมไม่มีน้ำไวน์ดื่มตายไหมไม่มีน้ำวิส ก, กี้ดื่มตายไหมถ้าไม่ตายอย่าไปดื่มมันเสียเงิงเงนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเงินแล้วติดด้วย พอไม่ใช่เดิมแก้วเดียวแล้วมันจะพอนะถ้าเริ่มเดิมแล้วมันจะดดิมไปจนวันตายนะเข้าใจไหมมีโยมคนหนึ่งเขาบอกเขาเคยเก็บขวดเหล้าที่เขาดื่มนี่บ่ามันกองสูงยิ่งกว่าบ้านเขาอีกเพราะลองดด่มไปแล้วมันก็ต้องดดิมไปขวดนี้หมดก็ซื้อขวดใหม่มาเด่มขวดใหม่หมดก็ซื้ออีกขวดมาเด่มแกเสียดายขวดก็เลยลองเก็บเอาไว้สะสมดู อย่าบอกกองไว้นี่สูงยิ่งกว่าหลังคาบ้านเลยนั่นแหละพอไปดื่มไปทําอะไรตามความอยากแล้วมันจะติดเหมือนยาเสพติดเวลาที่ไม่ได้ทําไม่ได้ดื่มนี่มันจะหมดเหงื่อลำคาญใจไม่มีความสุขแล้วพอดื่มก็เอาของที่มีพิษมีภัยให้กับร่างกายโยมคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่หกสิบกว่าไปแล้ว สุรานี้เป็นเหมือนยาพิษยาพิษผ่อนส่งเดือมเข้าไปแล้วมันสะสมในร่างกายมันไปทำลายอวัยวะสาคัญคือตับไตทำให้คนที่เดือมสุรานี้อายุไม่ยาวคนที่เดื่มแบบติดนะถ้าเดืนมแก้วสองแก้วปีละครั้งสองครั้งนี้ไม่เกี่ยวถ้าปีใหม่อยากจะฉลองปีใหม่สักแก้วอย่างนี้ไม่เป็นไร แต่ถ้ากินทุกวันเนี่เนี่ยโรคมันจะตามมาเสียเงินแล้วยังต้องเสียเสียร่างกายไปอีด้วยเสียเสียชีวิตไปโดยใช่เหตุนี่เพราะไม่ได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้เสพของพวกนี้ไม่ให้ใช้เงินซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นะ ให้ใช้แต่ของที่จําเป็นเท่านั้นเส้นเสื้อผ้าก็ให้ใช้แต่ให้มีเท่าที่จําเป็นก็พอ อ, อย่างพระนี่ท่านก็สอนให้เอาแค่หนึ่งสำรับก็พอหนึ่งไต่หนึ่งชุดนมีผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวไว้คอยเปลี่ยนถ้าผ้าห่มเปียกหรื อ, อไปซักก็ผ้าห่มกันหนาวมาห่มแทนชั่วคราวะ มีหนึ่งสำรับก็พอละหนึ่งไต น, นี่คือการรู้จักใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์กับชีวิตคือให้ใช้ให้กับสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตสิ่งไหนที่เป็นโทษเป็นภัยกับชีวิตจิตใจอย่าไปใช้มัน การใช้เงินการใช้เงินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือการหาความสุขทางตาหูจมิกจมูกลิ้นกายด้วยการใช้เงินหรือไม่ใช้เงินก็ตามเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีการที่หาความสุขที่แท้จริงเป็นการหาความทุกข์เสียมากกว่าเพราะเมื่อหาความสุขแบบนี้แล้วมันจะต้องติดและเวลาที่มันหาไม่ได้มันจะทุกข์กัน ต่อไปจะต้องทุกขกันเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันจะแก่ลงไปเรื่อยๆความสามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆความสุขที่ได้เคยได้มันก็จะหายไปพอหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เนี่ยยิ่งถ้าแ ก, มาก่มากๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วย หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เลยทีนี้ก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความซสื่มเศร้าเนี่ยทำามคนถึงฆ่าตัวตายกันเมื่อเวลาแกหรือเวลามีโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะเขาไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเขาได้นั่นเองเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทาไมอยู่ไปแล้วมีแต่ความทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ถ้าหัดทาบุญตั้งแต่ มีกำลังวางชานนี่เลิกใช้เงินเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาหาความสุขจากการทำบุญในเบื้องต้นก่อนถ้าเราทำบุญได้ต่อไปเวลาเราแก่เราก็ยังทำบุญได้เราไปเองไม่ได้เช่นกระถินเราไปเองไม่ได้ก็ฝากเงินเขาไปก็ได้นะไม่ต้องไปเองอยู่บ้านทำบุญที่บ้าน ก็ยังมีความสุขได้จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวไม่รู้สึกซึมเศร้าจะไม่มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายกันนี่ละคือการทาทานมีคนมีประโยชน์ต่อจิตใจจะทำให้จิตใจไม่คิดฆ่าตัวตายเวลาที่ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายไปหาความสุขได้เพราะจะไม่ต้องใช้ร่างกาย ถ้าใช้การทำบุญเป็นวิธีหาความสุขทุกครั้งอยากจะมีความสุขก็ทำบุญไปไปเองไม่ได้ก็ฝากคนอื่นไปก็ได้สมัยนี้มีเครื่องมือถือก็โอนเงินเข้าวัดได้เลยโอนเงินให้กับผู้ที่จะรับบริจาคได้เลยพอโอนไปแล้วก็เกิดความสุขใจสบายใจที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยว ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นขั้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกันเพื่อเราจะได้มีความสุขไปตลอดจนถึงวันตายาถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราจะเจอความทุกข์ในบ้านปลายของชีวิต พรอเราจะไม่สามารถหาความสุขแบบที่เราเคยหาได้ความสุขที่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพราะร่างกายมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเรี่ยวแรงมันก็จะน้อยลงไปกําลังวังชา ก, ก็น้อยลงไปหรือบางทียังไม่ทันแก่ก็เดือดร้อนถ้าไม่มีเงินทองที่จะไปใช้แต่ทังคนที่เคยมีความสุขจากการทําบุญ เวลาไม่มีเงินทองใช้ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทองใช้อยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขอยากจะคิดถึงอยากจะมีความสุขก็คิดถึงบุญเก่าก็ได้เคยได้ช่วยคนนั้นเคยได้ช่วยคนนี้เคยได้ทําบุญที่นั่นทําบุญที่นี่คิดแล้วก็มีความสุขใจขึ้นมามาดูภาพเก่าๆก็ได้ไม่ต้องไปดูภาพใหม่ไม่ต้องไปทำใหม่ แต่ถ้าไปเที่ยวนี้ต้องไปถ่ายภาพ ใ, ใหม่ๆมาดูเลยพอดูภาพเก่าแล้วเกิดความเหงาขึ้นมาเกิดความเศร้าขึ้นมาเพราะไม่ได้ไปเลยต้องออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆไปถ่ายภาพ ใ, ใหม่ๆมาดู <c oughs> นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งของการสร้างความสุขที่แท้จริงให้สร้างความสุขด้วยการทำทานกันเมื่อ <c oughs> เราไม่ต้องใช้เงินมาก เราก็ไม่ต้องทํางานมากแล้วเราก็ไม่ต้องดิ้นรนทํางานแบบผิดศีลผิดธรรมกันเอเราก็จะรักษาสีนหน้าได้อย่างสบายเพราะคนทําบุญนี้จะไม่ชอบทําบาปอยู่แล้วทําบุญนี้ต้องการให้คนอื่นมีความสุขะ งั้นเวลาทำอะไรที่จะทําให้คนอื่นเขาทุกข์หรือเดือดร้อนนี้จะไม่อยากทําจะไม่ทําเนะก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดเนี่ไม่เด็บไม่ดื่มสุรายาวเมาเพราะรู้ว่าการมึนเมานี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะทําให้ไม่มีอะไรมาข้ามจิตใจเวลาที่จะคิดทําอะไรที่ไม่ดีหรือพูดอะไรที่ไม่ดีออกไป ก็จะรักษาศีหน้าได้อย่างสบายคนที่ทำบุญทาทานนี้จะได้อ น, นิสงส์โดยอัตโนมัติคือจะเป็นคนกลายเป็นคนมีศีลขึ้นมาจะชอบแต่ทำบุญจะไม่ชอบทำบาปก็จะมีความสุขจากการมีศีลเพราะเวลามีศีลแล้วใจเย็นใจสบายไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลไม่ร้อน ต่างกับเวลาทำบาปนี่ใจจะร้อนขึ้นมาเวลาทำบาปนี่จะมีความวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวว่ากัวผู้อื่นจะรู้ว่าเราทาบาปทาไม่ดีเราจะถูกเขาประนามถูกเขาลังเกียจเนี่ยก็เลยมีความกังวลคนทำบาปส่วนใหญ่มักจะแอบทำกันไม่กล้าทำอย่างเปิดเผย พอทำพอแอบทำก็เลยกลัวกลัวคนอื่นจะรู้ความกลัวขึ้นมาทั้งที่คนอื่นก็ไม่รู้มันก็ทำให้ใจเราไม่สบายแล่วคนอื่นเขาจะรู้ไม่รู้นี่มันไม่เกี่ยวกันละมันพอเราทำแล้วเรากลัวขึ้นมาเองกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่ดีแล้วแต่ถอเรา ไม่ทำบาปได้รักษาศีลได้เพราะเราเป็นคนใจบุญชอบทำบุญชอบหาความสุขจากการทำบุญเราก็จะไม่คิดทำบาปกับใครใจของเราก็จะเย็นจะสบายไม่ต้องคอยหลบคอยซ่อนเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ตกใจแต่ถ้าลองทำาอะไรผิดกฎหมายไว้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมานี่ตกใจเราสิให้เขามาจับเราหรือเปล่า บางทีเขาจะมาะทักทายหรือมาถามสารทุกข์สุขดิบแต่พอเห็นเขานี่ใจเรากลัวไปแล้วทุกไปแล้วนี่แหละนิรของบาปที่เราทำไว้มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราชีวิตของเราจะไม่มีความสุขถึงแม้ว่าเราจะได้เงินทองมามากมาย ถึงแม้ว่าจะมีเงินใช้กินใช้เที่ยวใช้ดื่มใช้ซื้ออะไรต่างๆแต่มันจะไม่มีความสุขมันจะสุขแบบร้อนมันไม่ใช่สุขแบบเย็นเงินทองที่ได้มาด้วยวิธีที่ไม่ชอบนี่มันเป็นเหมือนไฟเผาใจให้ใจรุ่มร้อนให้ใจหวาดกลัวแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปนีน่ใจจะเย็นใจจะสบาย ไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อนเจอตำรวจมาก็ไม่วิ่งหนีไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรทักทายคุยกันได้อย่างปกติถึงแม้เขาจะมากล่าวหาว่าทำผิดนู่นผิดนี้ก็ไม่หวั่นไหวเมื่อเราไม่ได้ทำผิดมันจะไปผิดได้อย่างไรนอกจากถือว่าเป็นความสวยของชีวิตที่ถูกคนเข้ายัดข้อหา พรเขาต้องการกลั่นแกล้งเราอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าละกันกรรมเก่าเราเคยอาจไปกลั่นแกล้งใครเข้ามาก็ลเลยต้องมาถูกเขาล้างแค้นเกลั่นแกล้งเอาในภพนี้ชาตินี้ก็ได้เพราะกรรมมันมีจริงผลของกรรมมันมีจริงแต่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลทันทีไม่ใช่ทําบาปวันนี้แล้วพรุ่งนี้ผลมันจะมาทันที บางทีชาตินี้ไม่ได้รับผลของบาปที่ได้ทำไว้แต่มันไปโผลเอาชาติหน้านอนยิ่งเวลาที่เราต้องเจอข้อกรรมเหล่านี้ขอให้เราคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตก็แล้วกันวิธีที่จะปฏิบัติกับวิบากกรรมเหล่านี้ที่ดีที่สุดก็ทําใจให้เฉยๆไปพุทโธพุทโธไปแล้วถ้าต้องไปแก้คดีก็แก้ไปเท่าที่ ตามหลักหลักฐานที่เรามีอยู่แต่ถ้ามันไม่พอเพียงเขาจะจับเราไปติดคุกติดตารางก็ต้องยอมรับโทษไปเพราะแม้แต่เป็นพาาาระอรหันต์ก็ยังต้องรับพระวิบากกรรมอยู่อย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยอัคคระสาวกซ้ายของพระพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์มีเดชนะแต่ก็ยังถูกเจ้ากรรมนายเวร จจองล้างจองผ่านจะมาตามค่าท่านก็ยอมตายท่านบอกหนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาอีกอน่าให้วิบากกรรมมันแสดงผลไปพอวิบากกรรมมันแสดงผลเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีวิบากกรรมตามมาใหม่แต่ท่านหนีก็ต้องหนีเรื่อยๆ เ, เห็นไหมคนที่ผิดกฎหมายนี่ต้องหนีอยู่เรื่อย กี่ปีมาแล้วก็ยังต้องหนีอยู่นั่นแต่ถ้ายอมมารับโทษติดคุกไปบัา น, นี้ก็อาจจะพ้นโทษไปแล้วไม่ต้องมาคอยหนีอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ยังหนีอยู่นั่นเวลาหนีโทษมันมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขอละโซยอมรับกรรมดีกว่ายอมรับโทษดีกว่าเมื่อพ้นโทษแล้วก็จะได้ไม่มีโทษตามมาอีกต่อไป ยานเวลาที่เราชีวิตเราไปเจอข้อกรรมต่างๆก็พยายามสู้ด้วยความสงบสู้ด้วยเหตุด้วยผลอย่าสู้ด้วยการหนีหนีหนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามไปอยู่นะัคดีมันไม่จบเพราะเราหนีมันจะจบก็ต่อเมื่อเรายอมรับโทษหรือ ย, ยอมให้เขาดาเนินคดีไป ดำเนินคดีแล้วอาจจะไม่ผิดก็ได้หลังจากที่ได้วินิจฉัยไตย่สวนหลักฐานต่างๆแล้วก็เห็นว่าถูกกานแกล้งหรือถูกยุอถูกอะไรซ่อนยัดข้อหาให้อย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้องรับโทษก็ได้คน เ, เราต้องยอมรับว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราเคยทำกรรมมามาก ม, มีทั้งบุญและบาปเล ตากรรมมันได้ไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น mm hmm. เวลาที่เราได้รับผลบุญเราก็ไม่ปฏิเสธกันใช่ไหมเวลาอยู่ดีๆถูกนอตเตอรี่ขึ้นมา mm hmm. ก็ไม่มีใครบอกโอ้ไม่เอาขอคืนเราไม่ต้องการจะรับผลบุญมีแต่ยินดีเวลาเป็นผลบุญนี่ยินดีพอเป็นผลบาปนี้วอยวายขึ้นมา ทำไมถึงต้องเกิดขึ้นกับเราเราไปทำอะไรมาเราทำอะไรมาเราจำไม่ได้แล้วมันนานบางทีข้ามภพข้ามชาตินี้มันจำไม่ได้แม้แต่เรากินอะไรเมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้เลยแล้วจะไปทำจะไปจำไอ้บุญกับบาปที่เราทำอย่างเยอะแยะมากมายนี้ได้อย่างไรว่ามันเป็นบุญอันไหนบาปอันไหนงนั้นทำใจเถิดเวลาที่เราจะต้องรับผลบุญหรือผลบาป ทำใจให้เป็นอุเบกขาไปยอมจำนนอย่าไปต่อสู้อย่าไปดิ้นนนนเน็ดเหนื่อยเปล่าๆแล้วมันก็จะผ่านไปไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปพอมันส่งผลแล้วมันก็ผ่านไปเราไม่มีวันตายเราไม่ต้องกลัวใจนี้ไม่มีวันตายผู้ที่ตายไม่ใช่เราคือร่างกาย ถ้าร่างกายต้องไปรับเคาะแทนเราก็เป็นเป็นเรื่องของวิบากของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะทำบุญหรือทำบาปก็ต้องแก่เจ็บตายบางคนก็มาบ่นว่าเอ้ยเราทำแต่บุญไม่ทำบาปทำไมเราต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมเราจะต้องมาตาย มันไม่เกี่ยวกันเรื่องของร่างกายมันไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปเรื่องของร่างกายมันเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นระบบเป็นระบบของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครไปห้ามระบบนี้ได้ระบบของการเกิดแก่เจ็บตาย พรามันมาทำมาจากระบบดินน้ำลมไฟระบบดินน้ำลมไฟเวลารวมกันมันก็จะรานเติบโตขึ้นมาเวลาแยกกันมันก็เสื่อมลงไปตายลงไปนี่คือระบบธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนในร่างกายเป็นอนิจจังที่มันทุกข์เพราะว่าใจไปทุกข์กับมันเองร่างกายมันไม่ทุกข์นะ ร่างกายมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่มันไม่เป็นทุกขังไอ้ที่ทุกขังนี่ไม่ใช่ร่างกายทุกข์แต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไปทุกข์เพราะไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตานั่นเองซึ่งมันตรงข้ามกับความเป็นจริงของร่างกายร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่เราอยากให้มันเที่ยงกันร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา แต่เราไปหลมคิดว่าเป็นตัวเรากอนเราก็เลยทุกข์ไปกับร่างกายเวลาที่มันไม่เที่ยงเวลาที่มันตายไปแต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่านี่แหละร่างกายของเรามันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32เป็นเหมือนหุ่น เราเป็นผู้เชิดหุ่นตัวนี้เราเป็นผู้ให้มันยกแขนยกขาให้มันเดินให้มันวิ่งให้มันกระโดดโดดเต้นอะไรต่างๆเราเป็นผู้เชิดบันเราคือใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาผู้ที่ไม่มีวันตายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเท่านั้นเองเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ ถ้าเรามีเวลาว่างไม่ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช้เงินใช้ทองใช้เงินใช้ทองเราก็จะได้มีเวลามาศึกษาความจริงของชีวิตเราแล้วมันจะทำให้เรานี้ลดความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายได้เยอะเลยแต่วันนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี้จะวิตกกังวลจะห่วงใ ย, ยร่างกาย นอกของตัวเองแล้วยังไปห่วงใ ย, ยร่างกายของคนอื่นอีกห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงไปหมดนมีแต่หนักหกหนักใจไปกับเรื่องของร่างกายแต่พอมีเวลาได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันเป็นดินน้ําลมใส ที่มารวมตัวกันแล้วก็มาปั้นให้เป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาดินน้านมไฟนี่แหละที่ทาให้มีผมขึ้นมามีเล็บมีฟันมีหนังขึ้นมาผมก็ไม่มีตัวตนเล็บก็ไม่มีตัวตนเนื้อเอ็นก็ไม่มีเตอตัวตนกระดูกก็ไม่มีตัวตนปอดตับลำไส้ก็ไม่มีตัวตนเป็นอาการที่ทำจากดินน้านมไฟทั้งนั้นเป็นระบบของธรรมชาติ เป็นระบบของร่างกายที่ทำให้ร่างกายอยู่ได้ถ้าถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหยุดทำงานไปเมื่อไหร่ระบบนั้นก็หยุดทำงานไปหมดเช่นพอหัวใจหยุดเต้นปั๊บระบบทั้งระบบก็หยุดทำงานทันทีร่างกายพอหยุดทำงานมันก็จะมันก็จะล่มสลายไปมันก็จะเป็นเหมือนไอติมเคยเห็นไอติมไหม ไอติมเวลาตักออกมาจากตู้ใหม่ๆ ม, มันเป็นรูปเป็นล่างนะพอทิ้งไว้ข้างนอกสักพักเดี๋ยวมันละลายกลายเป็นน้ําใหำไปเนี่ยร่างกายก็เป็นเหมือนไอติมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถูกความร้อนของเวลานี้ละลายไปพอแก่ลงแก่ล ง, ลงเดี๋ยวตายหยุดหายใจทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวมันละลายกลายไปกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปน้ําก็ไหลออกจากร่างกายไปไฟก็ออกจากร่างกายไป ลมก็ออกจากร่างกายไปส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นดินไปแห้งกรอบไปนี่คือเรเรื่องของร่างกายถ้าเราได้มาศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเราไปห้ามร่างกายให้มันเสื่อมไม่ได้ห้ามไม่ให้มันล่มสลายไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติคือระบบของมันมันมีระบบที่เกิดแล้วก็ต้องมีระบบเสื่อมตามมา เราไม่มีใครไปยับยั้งมันได้ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปกังวลกับมันทำไมร่างกายของคนอื่นเราไม่ไปกังวลด้วยคนที่เราไม่รู้จักจะเป็นจะตายอย่างไงเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่อาศัยเขาที่เราเดือดร้อนกับร่างกายของเราเพราะเรายังอาศัยมันอยู่ยังอาศัยให้มันพาเราไปเที่ยวกันอยู่นั่นเองอาศัยให้มันพาเราไปกินไปเดิมไป ด, ไปดูไปฟัง พอใช้มันไม่ได้เราก็เลยเดือดร้อนกันเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามาหัดหาวิธีหัดหัดหาหาวิธีหาความสุขแบบใหม่กันความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือมาหัดภาวนากันมาหัดทาใจให้สงบกันพอใจสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาพอเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย เราก็เลิกใช้ร่างกายได้พอเราเลิกใช้ร่างกายได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเราเป็นอะไรไปเราใช้อะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันเป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เราไม่ได้อาศัยเขาพอเราไม่อาศัยเขาเขาจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนนั่นนี่คือเรื่องวิธีหาความสุขที่ถูกต้อง และเป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะเราหาความสุขแบบไม่ถูกเราหาความสุขแบบต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจึงทำให้เราวุ่นวายเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงนั่นเองบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลาไม่มีก็เดือดร้อนกันเวลามีเงินก็ไม่เดือดร้อน พอไม่มีเงินก็เดือดร้อนกันขึ้นมาก็เลยต้องวุ่นวายกับการคอยหาเงินอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันหมดเพราหมดเมื่อไหร่มันเดือดร้อนเมื่อนั้นก็เลยต้องคำคยดกับการหาเงินหาทองพอได้เงินมาก็เอาไปใช้กันใช้เดี๋ยวก็หมดก็ต้องหาใหม่สูมาหาแบบ วิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้หาดีกว่าเบื้องต้นทาทานเพื่อเราจะได้มีเวลาไปศึกษาคำสั่งคำสอนเมื่อเราได้ศึกษาคำสั่งคำสอนเราก็จะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่เพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันมีปัญหาตามมาต้องเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมาหาความสุขจากการทาใจให้สงบ มหัดภาวนามาทำนั่งสมาธิมาเจริญสติพุทโธพุทโธไปแล้วก็มาเจริญปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสงบที่เราสร้างขึ้นมาด้วยสติพอเราทำได้แล้วต่อไปเราสามารถหาความสุขได้จากการเจริญสติการเจริญปัญญาซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ไม่ สิ่งที่ไม่มีศูนย์ไม่สลายจากใจเราไปถ้าเรามีสติแล้วมันจะอยู่กับใจเราไปตลอดมีปัญญาแล้วมันก็จะอยู่กับใจเราไปตลอดไม่เหมือนกับมีร่างกายมีร่างกายแล้วเดี๋ยวมันต้องเสือ่อมเดี๋ยวมันต้องเจ็บเดี๋ยวมันต้องตายพอมันเสือ่อมมันเจ็บมันตายเราเดือดร้อนกันเพราะเราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้นั่นเอง เราจึงต้องมาเลิกหาความสุขทางร่างกายกันแล้วมาหัดมาหาความสุขทางใจด้วยการฝึกจิตฝึกใจทำใจให้สงบกันหมั่นจริญสติตัวนี้เป็นกุญแจาสาคัญเหมือนกับกุญแจรถยนต์หากุญแจรถยนต์ให้เจอถ้าหากุญแจรถไม่เจอขึ้นรถไม่ได้สตาร์ทรถไม่ได้ขับรถไปไหนมาไหนไม่ได้ ถ้าต้องการจะขับรถนี่เราจึงคอยดูแลรักษากุญแจไว้อย่างดีใช่ไหมเวลาไปไหนมาไหนนี่ต้องดูกุญแจก่อนกุญแจอยู่ที่ไหนวะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเลเพราะเดี๋ยวเวลาจะใช้รถจะได้ใช้กุญแจเปิดรถได้สตาร์ทรถได้ น, นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะมีความสุขทางใจเราต้องมีกุญแจที่จะเปิดความสุขทางใจให้กับเรา กุญแจที่จะเปิดความสุขทางใจก็คือสติวิธีถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติด้วยการใช้กรรมฐานบริกรรมพุทโธพุทโธนี่พุทโธนี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งธรรมโมเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งดูลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเลือกใช้เอาวิธีที่เหมาะกับเราในตอนนั้นเวลา บางทีใช้แบบนี้ไม่เหมาะก็ใช้อีกอย่างหนึง่งที่เวลาเดินทำอะไรอยู่ดูลมไม่เหมาะก็ใช้พุทโธหรือใช้ดูร่างกายดูว่าเรากาลังทาอะไรอยู่เป้าหมายคือคอยควบคุมความคิดอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากาลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วต่อไปเราก็จะมีสติที่จะนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ ทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็เข้าสมาธิไปไม่ต้องไปหาเงินไปเที่ยวหาเงินไปซื้อข้าวซื้อของไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรกับการเตรียมตัวไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อไรอยากจะพักผ่อนหลับนอนอีกหมดเงินแล้วยังต้องหมดแรงอีกด้วยซูนั่งสมาธิดีกว่าไม่หมดเงินก็ไม่หมดแรงก็ไม่หมดกับมีกาลังวางชา ออกจากสมาธิมีกำลังที่ทจะไปทาภารกิจที่จำเป็นต้องทําจะไม่เกียจคร้านคนที่ภาวนาเป็นจะขยันหมั่นเพียรมีภารกิจอะไรจะต้องทํานี้ทํำได้ทันทีต้องกวาดบ้านถูบ้านต้องเช็ดต้องน้าซักผ้าล้างผ้าล้างจานหรือทาอะไรนี้จะทำได้อย่างง่ายได้ น, นี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิต แล้วก็ไม่สร้างความทุกข์แถมมาด้วยคือการทำบุญทำทาน mm hmm. การรักษาศีลและการภาวนาเพื่อทำใจให้สงบให้มีความสุขนี้เอง mm hmm. ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จะขอเอามาฝากท่านในวันนี้และให้ท่านนำมาไปพิิตพิจารณาและปฏิบัติต่ตอไป mm hmm. การแสดงก็พอสมควรแก่เวลา <c oughs> <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ an ุปกักปติ อิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสะมิจโตสพเพปเรนโตสรังกปาจันโทปนะราโสยะธามณีโชติราโสยะธาสัพีติโยวิวัชจันโตสัพโรุโขวินาสัตุ มาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาิวาฒนาสีฤทสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแต่จะไม่มีการถามหลังใหม่พอปิดไม่แล้วก็จบวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะทางเฟสามร้อยสี่สิบสองยูทูบสามร้อยห้าสิบหก วิธยุออนไลน์สี่รับฟังบนเขาสี่สิบแปดรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบท่านค่ะใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นนะจะส่งไมโคโฟนไปให้เาทางบ้านก่อนก็ได้คำถามจากคุณสุธิมาค่ะปุรชนคนหนาด้วยกิเลสคือจิตคิดส่งออก จึงทำให้มีอคติผลเกิดขึ้นเนื่องจากจะต้องคิดไม่ดีมากกว่าคิดดีคิดส่งออกคือการสร้างภพสร้างชาติต่ตอไปเรียนเกิดตายยกเว้นจู่ส่งจิตออกนอกให้เด็ดขาดมาคิดแต่ในร่างกายของเราที่มีแต่จะผุพังอย่างนี้ช่วยลดภพบ ล, ลดชาติลงได้บ้างใช่หรือไม่เจ้าคะก็อยู่ที่การลดความอยาความโลภเนี่ย ถึงแม้คิดแล้วแต่ไม่ลดความโลภความอยากมันก็ไม่ลดคิดแล้วเดี๋ยวก็ออกไปเที่ยวต่อไงมันก็อยากต่ออยากได้นูน่นอยากมีนี่ก็ต้องลดความอยากเป็นหลักด้วยการคิดถึงความไม่ทิ้งแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปแล้วก็ทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ นต้องลดความอยากในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกิจลดลงอย่าอยากรวยอย่าไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปอยากได้รางวรางวัลเหรียญทองเหรียญอะไรต่างๆอย่าไปอยากหาความสุขจากรูปเสียงกิรลดต่างๆคำถามต่อไปจากคุณธนากรค่ะคำถามที่หนึ่งค่ะในการ ในทางสมถะการตั้งจิตไว้ในกายและการตั้งกายไว้ในจิตแตกต่างกันอย่างไรครับตั้งกายไว้ในจิตไม่ได้หรอกมีแต่ตั้งจิตไว้ในกายคือให้จิตระลึกถึงกายอยู่เรื่อย<ส>เพื่อให้เกิดสติขึ้นมาไม่ให้จิตไประลึกถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ระลึกอยู่ที่กายต อ, ตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่ กำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลังวิ่งก็วิ่งไปกับร่างกายกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกา ย, ยาเรียกว่าการตั้งจิตให้อยู่ที่ร่างกายเพื่อจะได้งนงับการส่งออกของจิตไปที่อื่นไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเกิดความโลภความอยากขึ้นมาถ้าอยู่กับร่างกายแล้วความโลภความอยากจะไม่เกิดแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งเฉย แล้วก็ดูลมหายใจแทนดูดูการเคลื่อนไหวเพราะร่างกายไม่เคลื่อนไหวตอนที่นั่งก็ดูลมหายใจที่ยังเคลื่อนไหวอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับลมลมจะสั้นจะยาวไม่ต้องไปบังคับมันลมจะละยาียจะละเอียดไม่ต้องไปบังคับมันให้ใช้ลมเป็นเป็น เป็นอารมณ์ไว้สำหรับให้ดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆท่านั้นถ้าไม่คิดอย่างต่อเนื่องได้เดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคําำถามที่สองค่ะการเล่นริ์ในฌานทำอย่างไรครับ อ, อยังไม่ต้องไปรู้หรอกตอนนี้ให้รู้วิธีเจริญสติก่อน มมีสสสตติิายยงงงงง้น่ จ, นจบออคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามค่ะอยากใช้เงินทำบุญทำทานเพราะทราบว่าเป็นการละความตรหนีของตัวเองแต่กลัวจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับเกิดกิเลสเพราะเงินที่เราบริจาคอยากจะคิดในแง่ใหม่เพื่อจะได้ทำบุญได้อย่างสบายใจควรคิดอย่างไรคะ ก็อย่าไปคิดถึงกิเลสของเขาสคิดถึงความเดือดร้อนของเขาเราไม่ได้ทำเพื่อไปสนับสนุนกิเลสเขา เราไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนองนั้นคนจะจมน้ำตายก็ช่วยเขาไม่ได้เลยช่วยแล้วเดี๋ยวก็ไปส่งเสริมให้เขามีกิเลสขึ้นมาอยากร่ำอยากรวยอยากไปเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาคิดอย่างั้นก็เป็นบ้าเนนะียคิดแบบนั้นก็คิดแบบคนตนีเนคือคนที่จะหาช่องที่จะทาให้ไม่ต้องทาบุญเพราะทุกคนก็มีกิเลสทั้งนั้นอะมีใครไม่มีกิเลสบ้าง เราไม่ได้คิดอย่างนั้นให้คิดถึงการความทุกข์ยากลำบากของเขาเหมือนกับความทุกข์ยากลำบากของเราเวลาเราทุกข์ยากลาบากเราอยากให้คนเข้ามาช่วยเราไหมก็คิดแบบนั้นคิดบรรเทาความทุกข์ยากลำบากไม่ได้มาคิดที่จะมาส่งเสริมกิเลสของเขาพอเขาหายทุกข์ยากลำบากแล้วเราก็หยุดถ้าเขาอยากจะรวยก็ให้เขาหายเองเรื่องกิเลสของเขา แต่เราไม่ได้บาส่งเสริมกิเลสของเขาเรามาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนของเขาคําถามที่สองค่ะเรามีปัจจัยทําทานแต่ปัจจุบันเราหาไรายได้ไม่ได้เนื่องจากป่วยหนักหากเราคิดถึงบุญเก่าตามที่พระอาจารย์เทศก็มีความสุขแต่เราไม่มีเงินฝากธนาคารต่อเนื่องชาติหน้าจะเกิดมาจนไหมคะยังไม่ต้องกังวลชาติหน้าแหละชานี้ทําให้มันดีที่สุดเ ท, ดท่าที่จะทําได้ก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะเวลาเราสวดมนต์แล้วบทสวดมนต์จะมีอนุภาพได้นานกี่ชั่วโมงคะพอหยุดสวดมันก็หมดนะครัคำถามที่สองค่ะเทพที่สามารถอยู่ได้นานตามอายุไขบุญสวรรค์มิหนาซ้ํายังสามารถอยู่ต่อได้เรื่อยจนกว่าบุญจะหมดเขาทําบุญยังไงหรอเจ้าคะเขาทํามากไง ทำมากบุญมันก็มันก็หมดชาทำน้อยบุญก็หมดเร็วเหมือนเติมน้ํามันรถใช่หไหมเติมครึ่งถังก็เติมเต็มถังอันไหนจะหมดเร็วหมดก่อนกันนะเติมครึ่งเขาครึ่งถังเดียวมันก็หมดแล้ววิ่งไปได้ครึ่งทางก็หมดถ้าเติมเต็มถังก็กว่าจะหมดก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปยันอายุไขของเทวดาอยู่ที่ปริมาณของบุญที่เขาทำ คำถามต่อไปจากคุณเอค่ะอยากถามเรื่องการสวดมนต์เหมือนเวลาเราหาบทสวดมนต์มาได้มักให้ตั้งน้ำโมสามเจิดก่อนฉะนั้นถ้าเราสวดบทสวดต่อไปต่อการเรื่อยๆต้องตั้งน้ำโมทุกครั้งเลยหรือเปล่าเจ้าคะตั้งครั้งเดียวก็พอเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เราลึกถึงพระบรมศาสดา่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดมาได้เพราะพระพุทธพระพระบรมศาสดาเป็นผู้สอนเหตุเราเวลาจะทำอะไรเกี่ยวกับทางศาสนาเรามักจะเราลึกถึงพระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญพระคุณของพระพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีทำครั้งเดียวก็พอ คำถามต่อไปจากคุณธัญญาค่ะญาติผ่อนบ้านกับธนาคารพยายามปิดหนี้บ้านให้เร็วแต่ก็กลับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายญาติพยายามร้องขอลดการชรําระหนี้แต่ธนาคารไม่ยอมยืนยันสามารถลดได้เท่านี้ญาติกลัวจะเป็นกรรมเหมือนกองธ น, ธนาคารนาคะอ๋อไม่กองหรอกเพราะตายไปเขาก็ยึดคืนนะนั่นเองบ้าน ย, ยังไม่ได้เป็นของเรานะยังเป็นของธนาคารเขาอยู่ เขาเพียงแต่อนุญาตให้เราอยู่ถ้าเราผ่อนนี้ให้เขาไปพอเราไม่ผ่อนหี้เขาก็เอาบ้านคืนไปเท่านั้นเหมือนจะเช่าบ้านเขาเท่านั้นเองการซื้อเงินผน่อนนี่เหมือนกับไปเช่าเช่าของที่เราซื้อมาไม่ได้เป็นของเราหรอกเป็นของที่เราไปเช่ามาพอเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาก็เอาของคืนไปเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> คำถามจากคนเดิมค่ะญาติมีทําประกันชีวิตกับธนาคารให้เป็นผู้รับประโยชน์ด้วยค่ะและตอนนี้ธนาคารก็ยึดบ้านแล้วและประกาศขายบ้านนี้ในราคาสูงที่ญาติเป็นหนี้ด้วยค่ ะ, ะก็นั่นแหละ น, นี่เป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องการลักทรัพย์ชอโกงเนไม่ต้องกลัวถ้าตายไปแล้วไม่ได้ผอนไม่ได้ผ่อนค่าของต่างๆที่เรายังค้างอยู่เขาก็มายึดคืนไปเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากพี่คนดีค่ะคนติดยามารังควานที่วัดกรรมนี้หนักมากแค่ไหนคะไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่มีกิโลมาชั่งเลยค <laughs> <laughs> ำถามต่อไปจากคุณจริงขอบค่ะ ขออากาศครับหายใจเข้าหายใจออกลมเป็นธรรมชาติไม่มีทุกข์ไม่มีอยากที่มีทุกข์มีอยากเพราะความคิดความปรุงว่าเป็นความอยากไม่อยากเช่นนี้ถูกไหมครับแต่เวลาดูลมไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดแบบนี้ให้ดูเฉยๆไม่ต้องเคลือนลมเข้าลมออกเป็นธรรมชาติพออยากนู่นอยากนี่เป็นกิเลสไม่ต้องคิดนั่งไปนั่งสมาธิไมหมคิดให้รู้เฉยๆ ให้รู้ลมเฉยๆลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องไปทําอะไรกับลมมันเปลี่ยนไปของมันเองโดยธรรมชาติของมันคํทถามต่อไปจากคุณระพีพันค่ะการอธิษฐานขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยในวะัฏะสงสารจะพ้นได้ง่ายกว่าอธิษฐานอย่างอื่นหรือเปล่าคะในชาติต่อๆไป อ, อ๋อมันไม่พ้นหรอกเพราะมันมันจะพ้นทุกข์ไม่ได้เกิดจากการขอการพ้นทุกข์ต้องเกิดจากการปฏิบัติทำให้ต้นเหตุของความทุกข์หายไปทุกข์มันก็หายไปการอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอแต่เรามักจะเอามาใช้แทนคำว่าขอกันํารอธิษฐานของาศาสนานี่เป็นการตั้งเป้าแสดงเจตนาอารมณ์ว่าเราต้องการจะทำอะไร อยากเราต้องการพ้นทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องตั้งเป้าไปที่การชาระจิตใจอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะซักฟอกจิตใจทุกวันทุกวันถ้าเราซักฟอกทุกวันเดี๋ยวจิตใจก็สะอาดขึ้นมาความทุกข์ก็หายหมดไปขอไม่ได้อธิษฐานนี้ถ้าอธิษฐานเพื่อขออย่าไปอธิษฐานให้เสียเวลา ถ้าอธิษฐานเพื่อปฏิบัติเนี่ยอธิษฐานได้เช่นจะขอขอปฏิบัติชำระใจทุกวันนั่งสมาธิทุกวันค่ากิเลสทุกวันอย่างน้อยก็เขาค่าวันละตัวสองตัวก็ยังดีค่ามันไปเรื่อยอ ย, อยากดื่มอยากกินอะไรที่ไม่จําเป็นอตัดมันไปวันนี้ไม่ดื่มมันไม่กินมันคําถามต่อไปจากคุณสุภวัตค่ะ จิ่สุดท้ายก่อนตายจะพาเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าทุกข์ใจก็ไปนรกถ้าสุขก็ไปสวรรค์แล้วก็ผมสงสัยคนที่กินเหล้ามีความสุขและหัวใจวายตายกระทำหันหเขาจะไปเกิดแบบไหนครับสวรรค์หรือเปล่าอ๋อมันไม่เกี่ยวกับว่าเ ว, าวาลาสุดท้ายเรากำลังทำอะไรอยู่หรอมันอยู่ที่บุญกับบาปที่เราได้สะสมไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ มันจะมาเปลี่ยนบุญกับบาปที่เราสะสมไว้ได้สิ่งที่เราทำในวาระสุดท้ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญของบาปที่เราจะเติมเข้าไปในบัญชีท่นั้นเองแต่มันจะไม่ไปพลิกบัญชีแบบง่ายๆนอกจากมันเป็นบุญหรือเป็นบาปที่หนักอย่างองคุติมานี่ยทำบุญในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้เป็นพระอารหรนันต์เนี่บุญนี้หนักมาก ทำให้บาปที่ฆ่าคนเก้าร้ยเก้าสิบเก้าคนไม่สามารถที่จะสู้บุญที่ของพระอาหารหันต์ได้ก็เลยไปนิพพานแทนที่จะไปอบายในทางตรงกันข้ามพระเทวทัตนี่ทำบุญบวชมาต้องยี่สิบกว่าปีแต่มาทำบาปจะฆ่าพระพุทธเจ้านี่บาปที่พยายามฆ่านี้มันหนักกว่าก็เลยส่งให้ต้องไปตกนรกเนี่ย งินถ้าถ้าไม่ได้เป็นบุญหรือบาปหนักเนี่ยจะเป็นบุญแบบเล็กๆน้อยๆแบบทั่วไปนี่มันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงบัญชีบุญหรือบาปเท่าไหร่คำถามต่อไปจากคุณสีรีค่ะการพิจารณาความตายเรื่องแรกควรพิจารณาอย่างไรครับที่ลมหายใจไงหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายตายแล้วเป็นยังไงตายแล้วเขาก็ ลเขาก็กําจัดเราเท่านั้นสิเขาก็ไม่มาเก็บไว้ให้ลกบ้านลกลหลังเท่าไหร่รักเราขนาดไหนพอตายแล้วเขาก็เขียทิ้งอนะ่ะโยนถ้ามีถังขยะทิ้งได้ก็ทิ้งถังขยะนี่ทิ้งถังขยะไม่ได้ก็เลยไปต้องไปเผาที่วัดเท่านั้นเองร่างกายเราตัวเราไม่มีความสําคัญอะไรเลยเวลาตายแล้วครับ ใหคิดอย่างนี้แล้วสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ก็กลายเป็นของคนอื่นหมดเนี่ยแฟนของเราก็กลายเป็นแฟนของคนอื่นไปเงินทองที่เรามีอยู่ก็เป็นของคนอื่นไปยศตำแหน่งที่เรามีอยู่ก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดนี่แหละคือความตายให้คิดแบบนี้ให้คิดถึงผลกระทบที่ตามมาหลังจากที่เราตายแล้วก็คือหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัว ถึงแม้เขาจะมาประกาศว่าเป็นคนเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ให้ยศสี่ห้าขั้นมันก็เป็นแค่การประกาศเนี่ยความจริงเราไม่ได้ไม่ได้สัมผัสไม่ได้แตะต้องกับสิ่งเหล่านั้นแล้วต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามค่ะถ้าเวทนามีกําลังมากๆแม้ทําสมาธิก็ยากต้องทำอย่างไรครับก็ต้องมาทําตอนที่มันยังไม่มีเวทนาสิ ไปทำตอนที่มันมีเวทนาก็ทําไม่ได้หัดทำตอนที่ไม่มีตอนนี้เราสบายสบายรีบทํากันเสียฝึกกันไว้ฝึกปีนเขาไว้ตอนที่มีกําลังไม่ใช่ไปปีนเขาตอนที่หมดแรงไม่มีแรงมันก็ปีนเขาไม่ได้หัดปีนเขาตั้งแต่เรามีแรงเราจะได้ปีนได้เวลาที่เราต้องปีน คำถามต่อไปจากคุณพักวัตค่ะการถวายผ้ากะถินมีอา น, นิสงส์งอย่างไรบ้างครับก็ผ้าจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องเป็นชีเปล ย, ยนะโยมได้ก็ได้บุญได้ทานนะก็เหมือนกับทำทานใส่บาตรเหมือนทำทานอย่างอื่นนะก็เป็นทานอย่างหนึ่งผ้ากระถิน่นผ้าก็ได้ประโยชน์ตรงที่จะได้ไม่ต้องลาบาก เพราะสมัยนั้นพระิไม่มีผ้าไม่มีผ้าเปลี่ยนเวลาฝนตกเปียกฝนไปกับพระพุทธเจ้าก็ต้องกับทั้งชุดเปียกๆอย่างนี้ยพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นใจสงสารพระก็เลยบอกให้ญาติโยมถวายผ้าเพิ่มให้กับพระพระจะได้มีผ้าเปลี่ยนเวลาเกิดฝนฟ้าอากาศมันตกหรือถ้าผ้าหายไปหรือผ้าขาดเนี้ยจะได้มีผ้าเปลี่ยนด้วยมีผ้าใช้ ทำทำต่อไปจากคุณสาธิมาค่ะเวลาสวดมนต์เสร็จจําเป็นต้องแผ่เมตตาหรือไม่เจ้าคะมันอยู่ที่เราเราอยากจะแผ่ก็แผ่แต่การแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ตอนที่สวดมนต์เสร็จตอนสวดมนต์เสร็จนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการซ้อมแผ่เมตตาการแผ่เมตตาจริงต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันเห็นเจอกันก็ยิ้มให้กันนี่เรียกว่าแผ่เมตตาแล้ว ไม่ใช่เจอกันแล้วก็น่าบื่งใส่กันเจอกันแล้วก็มีขนมมาฝากนี่เรียกว่าแผ่เมตตาเจอกันเวลาที่กระทบกระทั่งกันก็บอกไม่เป็นไรอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่อาคตาพยาบาทโกรธเกลียดกันาการแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ตอนที่เจอกันตอนที่สวดมนต์เสร็จเป็นการเรียนรู้วิธีแผ่ ด้วยเป็นการฝึกวิธีแผ่คิดเผื่อไว้ก่อนถ้าเราเจอคนนี้เราจะยิ้มให้เขาได้หรือเปล่าถ้าเขาพูดไม่ดีเราจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่าอันนี้ต้องซ้อมไว้ก่อนไงเพราะเดี๋ยวเวลาเจอเหตุการณ์จริงจะทําไม่ได้ถ้าซ้อมไว้ก่อนถ้าเขาพูดไม่ดีเราจะทําเราจะเราจะให้อภัยเขาเราจะไม่โกรธเขาคิดไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมไว้เดี๋ยวเวลาทําเจอเหตุการณ์จริงมันจะทําไม่ได้ แต่ถ้าเราซ้อมไว้พอถึงเวลาเราก็ทาได้เหมือนเล่นละครเนะถ้าเราไม่ซ้อมไปก่อนพอขึ้นเวทีเราจะไปเล่นละครไนดะ้ไงเราจะเล่นตามบทได้ไงเมตตาก็เป็นบทบาทที่เราต้องเล่นกันเวลาเราเจอกันคำถามต่อไปจากคุณกระหนกขวานค่ะ ถ้าเราพยายามฝึกการทำสมาธิภาวนาไม่ค่อยได้ตักบาต ท, ทำบุญตั้งใจภาวนาอย่างเดียวแต่พบชาตินี้ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้อย่างต้องกลับมาเกิดในชาติต่อไปอีกแบบนี้เท่ากับว่าคนที่ทำบุญตักบาตแต่ไม่ได้ภาวนาเลยดีกว่าใช่ไหมคะไม่ดีกว่าละคนที่ภาวนาด้วยก็จะได้หัดภาวนาเป็นต่อไปก็จะทำได้ง่ายขึ้นมากขึ้นไปตามลาดับ คนที่ไม่หัดเลยก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ศูนย์คนที่หัดแล้วก็ไปต่อได้เช่นชาตหน้ากลับมาก็มาหัดภาวนาขั้นที่สองขั้นที่สามได้คนที่ยังไม่ได้ผ่านขั้นที่หนึ่งก็ต้องมาหัดขั้นที่หนึ่งก่อนคำถามต่อไปจากคุณณัทวุฒิค่ะ ธรรมชาติหนึ่งอันปราศจากความปรุงแต่งนี้ซึ่งไม่เกิดดับย่อมเป็นอิสระจากขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงและการเห็นว่าไม่ใช่เราจริงก็เพราะว่าความเห็นเป็นเราล้วนมาจากสังขารปรุงแต่งเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็ถามตัวเองเลยใช่ไหมเรามาถามเราทาไม การปฏิบัติมันต้องพิจารณาแล้วหาข้อสรุปเราเองถ้าให้คนอื่นสรุปให้ก็ยังไม่เป็นปัญญาของเราถ้าอยากให้เป็นปัญญาของเราเราก็ต้องสรุปเองหมดแล้วเลย<ะ>ถ้าบอกทุกอย่างมันก็ต้องคอยมาถามทุกครั้งเลยพอคิดอะไรได้หน่อยก็มาถามถูกไหมถูกไหม <laughs> แล้วถ้าเกิดไม่มีคนมายืนยันจะทํำยังไงการปฏิบัติมันจะรู้ในใจของเราถูกหรือไม่ถูกมันจะดูที่ความรู้สึกเนี่ย ถ้าความรู้สึกมันไม่สงบมันแสดงว่าไม่ถูกถ้ามันคิดแล้วมันสงบแสดงว่ามันถูกถ้าคิดแล้วมันไม่สงบแสดงว่ามันไม่ถูกไม่ต้องไปถามใครแล้วสันติโกการปฏิบัติธรรมถามเฉพาะแนวทางที่เราไม่เคยทำว่าทาอย่างไรสอนก็สอนเรื่องแนวทางแต่เรื่องของผลของการปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองต้องต้องเป็นผู้ตัดสินเองว่าถูกรอผิด ตัดสินด้วยการที่ดูว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันสงบหรือไม่สงบเท่านั้นเองนี่อยู่ตรงนั้นถ้าจิตสงบแล้วใช้ได้ถ้าสรุปแล้วยังไม่ถ้าสรุปธรรมะแล้วยังไม่สงบก็สแสดงว่าอย่างใช้ไม่ได้คําคำถามต่อไปจากคุณอันนบค่ะการฝากสติจะทำให้เกิดข้อดีอย่างไรครับ ฝึกสติไม่ใช่ฝากสติเอาพิมพ์เพชรเนี่ยอ่าอมีไม่มีเราฝากสติฝึกสติก็จะทำให้เรามีกุญแจรถเนี่ยถ้าเราไม่หากุญแจรถเราจะขับรถก็ขับไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เราจะไปนิพพานเราก็ต้องมีกุญแจรถพาจิตใจไปนิพพานกุญแจที่จะพาให้จิตขับรถของจิตไปนิพพานได้ก็คือสติยังต้องหาสติให้เจอฝึกสติให้ได้ พอมีสติแล้วก็จะทำให้ใจสงบได้ใจสงบก็จะใช้ปัญญาสอนใจให้กาจัดกิเลสได้พอกิเลสหมดก็ถึงนิพพานต้องมีสตินำหน้าหมดแล้วเลยโอเคมีอะไรอยากถามไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวข อ, อไมโครโฟนไปไหน จะได้ยินเสียงดังทั่วกันครับครญยติกาปรียนสอบถามพระอาจารย์ครับสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติภาวนาแต่ยังไม่มีความหนักแน่นหรือว่ายังมีข้อที่ถูกกิเลสขวางว่าไม่ให้ปฏิบัติภาวนาจะมีวิธากวิธทางการแก้และเตือนสติตนอย่างไรครับก็พยายามศึกษาวิธีการปฏิบัติของผู้ที่ก็มีความหนักแน่นเวลาเขาปฏิบัติอย่างไร ดูแบบฉบับของคนที่เขาสําเร็จเราก็พยายามเอาแบบฉบับเขามาใช้กับเราต่อไปเราก็มีความหนักแน่นขึ้นมาเองคือควรศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์มีหนังสือปฏิปทาพระทุดงเนี่ยเป็นประวัติของพระปฏิบัติธรรมอ่านเล่มนี้แล้วเราลองได้ว่าจะมีความกล้าหาญมีความอยากจะสู้กับกิเลส ครูบาหลวงตาท่านไปสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์ต่างๆ<ม>วิธีการปฏิบัติของท่านแต่ละองค์ปฏิบัติอย่างไรเข้มข้นอย่างไรท่านก็เป็นคนเหมือนเราเป็นก็เราไปสัมภาษณ์พวกนักกีฬาเหรียญทองใช่เราก็ต้องรู้ว่าเขาทำไมถึงได้เหรียญทองเพราะเขามีความทอระหดอดทนเขาต่อสู้ยากหนักเอาเบาสู้ไม่ใช่พอเจอหนักหน่อยก็ถอยลู่ คนเราต้องมีขันติความอดทนมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจตั้งใจจะทําทอะไรแล้วต้องไม่ให้มันล้มต้องพยายามรักษาความตั้งใจให้ได้ด้วยความพยายามด้วยความอดทนดูดูประวัติของคนอื่นเขาแล้วเราจะได้อาศัยวิธีการของเขามาใช้กับเราได้ เนือไปอยู่กับเขาเลยพระที่ไปอยู่กับครูาบาอาจารย์ดีๆได้ดิบได้ไดีกันนะพระที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนี่ก็กลายเป็นพระหลานกันตามกันมาเยอะแยะไปหมดนะเพราะต้องมีคนมีโค้ชที่ดีไงเราเป็นนักกีฬาเราต้องมีโค้ชใช่ไหมถ้าเราทำเองเดี๋ยวก็ล้มอ่ะพอขี้เกียจหน่อยก็ไม่อยากจะทำแต่ถ้ามีโค้ชเดี๋ยวเป่านกหวีดแล้วให hey, ้ลุกขึ้นลุกขึ้นถึงเวลาต้องวิ่งแล้ว <laughs> นะ ยการปฏิบัติจึงต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยช่วยคอยดึงคอยผักถ้าให้เราผักตัวเราเองผักไม่ผักไม่ไปหรอวเพราะกิเลสเรามันแรงกว่านอกจากนอกจากเรามีบารมีจริงๆผักตัวเองได้เช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะถึงที่จะสามารถผักตัวเองให้บรรลุได้นอกนั้นแล้วต้องอาศัยคนอื่นอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยพระสาวกทั้งหลายมาช่วยผักมาช่วยดึงกัน นล้นเหรอมีอีกไหมทาํานี้เดี๋ยวเขาส่งมากลับทางนี้คือโนอะถูกสอนให้อาราธนาศีลก่อนสวดมนต์นะคะถ้าเกิดเราไม่อาราธนาศีลก่อนสวดมนต์จะจะจะถูกต้องไหมคะคืออาราธนาศีลนี่ทําเพื่ออะไรรู้ป่ะทําเพื่อประกาศบอกตัวเราว่าเราจะรักษาศีล เมื่อเรารักษาศีลอยู่เราไปทํำอีกทำไ ม, มเพราะว่าท่านสอนว่าถ้าเราไม่ลัทนาศีนเหมือนเราโกหกเวลาเราสวดมนต์ น, นะคะ ม, มันเกี่ยวกันที่ไหนล่ะเราไปโกหกใช่ไหคมคะละทนาศีลศมีไว้เฉพาะเวลาเราไม่มีศีลแล้วเราอยากจะรักษาศีนเราก็ไปลาธนาศีลนตามเป็นรู้ศีลพระก็จะได้บอกว่ามีอะไรบ้างอาณาปานาติปาตาเวรมนีฮะ ให้รู้ว่าสีห้ามีอะไรแล้วก็รักษามันไปพอเรารักษาสินห้าอยู่เราจะมาขอรักษาศินใหม่ทำไมอืมอ๋อไม่ได้ต้องอาลัธนาทุกครั้งใช่ไหมคะอ่าก็ตอบอนี้แล้วยังต้องมาถามให้ยืนยันยังไงกัน อ, <laughs> อะไรว <laughs> ใช้ปัญญาคิดบ้างนี่ออาใช้สะกดทุกคำเลยเลอ อ, อหัดใช้คิดหัดใช้ความคิดบ้างจะได้มีปัญญาจะได้คิด คิดเป็นคิดเองได้ไม่ต้องมาคอยถามคนอื่นให้คิดแทนเราอยู่เลย oh. คิดด้วยเหตุผลการกระทาต่างๆนี้มันมีเหตุมีผลอาราธนาศีลก็เพราะเราไม่มีศีลเราก็เลยต้องไปอาราธนาศีลเพื่อมารักษาเมื่อเรารักษาอยู่แล้วเราไปขอมารักษาใหม่ทําไม mm. ใช่ไหม <c oughs> แต่อยากจะบทอยากจะสวดบทอาราธนาศีลสวดได้ มันก็เป็นบทสวดมนต์อันหนึ่งเหมือนกันออ่เมันก็เป็นบทสวดมนต์ลานาติปาตาเวรามณีเนี่ยสิมันก็เป็นบทสวดมนต์ไปเป็นการเจริญสติไปเจ้าเรียกว่าเป็นศีลานุสติก็ได้เอใช้บทสวดศีลมาเป็นเป็นการเจริญสติแทนพุทโธก็แล้วเจ้าค่ะมีเข้ามาไหม หนึ่งในคนาทีคำถามต่อไปจากคุณเปียนันค่ะพระอรหันต์ที่เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วยังจะสามารถส่งจิตมาสั่งสอนลูกศิษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ครับก็มีกรณีพิเศษเท่านั้นแต่ไม่ทั่วไปหนึ่งจิตของลูกศิษย์ก็ต้องรับรับรับกระแสจิตของเทวดาดของพระอรหันต์ได้ถ้าไม่มี ไม่มีเครื่องรับไม่ไม่มีเครื่องส่งก็ติดต่อกันไม่ได้คนหนึ่งมีมือถือคนไม่มีมือถือนี zeigen, ้ก็ติดต่อกันไม่ได้คนที่จะติดต่อกันก็ต้องมีมือถือทั้งสองสอ ง, สองเครื่องพระลรหันบางรูปพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ยังมาเทศสอนพระปฏิบัติบางรูปอยู่แต่ถ้าไม่มีเครื่องรับเครื่อง Official. ส่งก็ไม่สามารถติดต่อกันได้หมดแล้วเลยโอเค